พระองค์นั้นก็แทงตลอดมัคคายานสี่ผลยานสี่ก็คือยานในโสดาปฏิมัคสกธาคามีมัคอนาคามีมัคอรหัตมรค แ, แทงตลอดยานในโสดาปฏิผลสกธาคามีผลอนาคามีผลแล้วก็ได้ปฏิสัมพิทาสีานะ่ปฏิสัมพิทาสี่ยานที่รู้อัรู้ธรรมนิรุธและปฏิพานและพระองค์ก็มียานที่กําหนดกําเนิดสี่นะว่า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 เนี่ยนะความปรารถนาเหล่าใดเจตนาเหล่าใดอวิชชาเช่นใดตัณหาเหล่าใดนำไปสู่การเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในเท่าใครและเกิดเป็นโอปปาติกาและยานอย่างรู้คติทั้งห้าที่ไปคือนรกที่ไปคือเดระนิชานที่ไปคือเปรตที่ไปคือมนุษย์ที่ไปคือเทวดาเมื่อพระองค์บอกแล้วกายกรรมเมจีกรรมมโนกรรมพฤติกรรมอย่างไรนำไปสู่การเกิดในนรก พฤติกรรมกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมเช่นใดนำไปสู่การเกิดเป็นเดรัจฉานเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาที่พระองค์ก็ได้อาศายธารณญาณทั้ง6ประการนึ่งอาศายธารณญาณ6ประการก็คืออานะอาศยานุสยะญาณพระองค์ยังมีญาณที่ยังรู้อัธยาศัยอาศัยอนุสยะเนี่ยนะอัธยาศัยของสรรพสัตว์เป็นเช่นไรอนุสัยกิเลส ท, ที่มันแรงอ่านะแต่ละคนเนี่ยมีกิเลสรุนแรงแบบไหนแค่ไหนอย่างไรรู้หมดเลย แล้วอย่างรู้อินเดียะโปรปริยติยานยานที่ว่าแต่ละคนนี่มีอินทรีหย่อนอินทรีหย่อนเนี่ยแปลว่าแปลว่ามันน้อยนะมีอินทรีย์น้อยหรือมีอินทรีย์มากอันนะมีศรัทธาหรือขาดศรัทธามีวิริยะหรือขาดวิรยิยะมีสติหรือขาดสติมีสมาธิหรือว่าขาดสมาธิมีปัญญาหรือว่าไร้ปัญญาพระองค์ก็แยกเยะไข้ครวญอย่างรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสรรพสัตว์ทุกชนิด แล้วพระองค์เนี่ยมีมหากรุณาสมาบัติต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์แยกว่าแต่ละคนนั้นมีความทุกข์อย่างไรทุกตั้งแต่หยังลงสู่คันจนจวบวันตายเนี่ยนะจวบสิ้นลมปราณในหนึ่งชาติแบ่งเป็นความทุกข์จัดหมวดหมู่ของความทุกข์ได้สลัพัดเลยว่าทุกหน่ะทุกหนึ่งทุกหมวดหนึ่งทุกหมวด2หมวด3มหมวดสหมวดหหมวด6หมวด7ดหมวด8หมวด9หมวด10บ1ิบหมวด14หมวด16หมวด18หรือว่าหมวดร้อแปอะไรเป็นตนน้นถ้าเรจัดแบ่งวักแบ่งตอน เราว่าพระองค์รู้จักความทุกข์ของเรายิ่งกับคนมีทุกข์อีกเหมืนั้นก็เราว่ารอบรู้ทุกชนิดเรียกว่าแล้วก็เจริญกรุณาว่าเมื่อเขาทุกข์อย่างนี้แล้วถ้าเราไม่ช่วยให้เขาพ้นทุกข์แล้วใครจะช่วยเขาเป็นตนันนั้นก็เป็นกรุณาของพระองค์ที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายแล้วการที่จะช่วยเขาบางอย่างก็ต้องแสดงย่ำมะกะแสดงย่ำมะกะปาฏิหารที่เราเรียกว่าแสดงปาฏิหารอันนะั้นแสดงปาฏิหารคือแสดงย่ำมะกะปาฏิหาร แล้วก็แสดงยมกตปาฏิหารไม่ใช่ทำด้วยความงุกเราทำด้วยการใคร่ควรวญทั้งหมดพิจารณาทุวนทีละเอียดทั้งหมดด้วยสัพพัญยุตยานแล้วนะนะเพราะสัพพัญยุตยานของพระองค์เนี่ยยิ่งกว่าที่ปรึกษาเป็นล้านคนเนี่ยนะยิ่งกว่ามีผคู่ปรึกษาชั้นเลิศเพราะว่า อะไรที่จะเสมอด้วยสัพพัญญุตญาณไม่มีแล้วสัพพัญญุตญาณของพระองค์ก็ไม่ได้ติดติดดับดับะนะไม่มีอาณาวรณญาณรองรับรู้ประสงค์จะรู้สิ่งใดก็รู้สิ่งนั้นโดยไม่ผิดไม่คลาดเคลื่อนเหมือนนักแม่นธนูยิงปลายขนสายฉะนั้นคือคว่ามันแม่ น, มนยำขนาดนั้นก็เจาะละเอียดได้ลึกซึ้งขนาดนั้นอันนั้นก็เป็นอาสาธารณญาณของพระองค์แล้วก็ยังมีพระคุณยางอื่นอี ก, อออกเช่นเวสารชยานสีนนะพุทธยานสี่เป็นต้นพุทธยานสิบ สิสี่พระพุทธคุณอย่างอื่นอีกมากนะที่ตามแนวที่ภาษารียบด์เจริญเนี่ยนะเจริญเช่นในสัมปัสาธนียสูตรทั้งอัตถกถาและก็ในพระสูตรแล้วก็ที่อื่นๆ อ, อีกที่กล่าวถึงพระพุทธกุลของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะฉนนั้พระองค์เนี่ยประทับนั่งที่โคนต้นโพเรียกว่าตรัสรู้เรียกว่าโพที่โดยสัพดาว่าปัญญานั่นเองพระองค์ได้ปัญญาณนะที่นั้นในความฉลาดณนะที่นั้น บางคนก็บอกว่าเออเนี่ยพระพุทธเจ้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยแทงตลอดธรรมชาตินะมันก็ไม่ผิดอนชาติมันก็ขึ้นต้นด้วยชาติมันก็ต่อด้วยชราและมรณะนั่นไพระองค์รู้ชาติชรามรณะและเหตุเกิดแห่งชรามรณะความดับชรามรณะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับชรามรณะพระองค์รู้ชาติธรรมะที่เป็นชาติธรรมะที่มีความเกิดเป็นธรรมดาพระองค์รู้ชาติเหตุเกิดของชาติความดับชาติข้อปฏิบัติให้ถึงความ ดับชาติเนี่ยนะใครที่จะไปต้นโพเนี่ยก็ไปเจรินาแล้วกันลุงเรืองจะไปบวชที่ต้นโพก็ต้องไปเจริญว่า อ, อพรธเจ้าท่านตรัสรู้อะไรตรัสรูว้ว่าอย่างไรมีคุณยังไงเดี๋ยวมาทำการบ้านทํารายงานดีไหมเมื่อนะั้นใครอยากฟังบ้างให้ลุงเรืองกลับไปทำกลับมาทำรายงานให้นะสรุปว่าพระองค์ก็ประทับนั่งนะโคนต้นต้นไหนต้นขานางนะต้นขานางที่เราเรียกว่าต้นโพเนี่ยเป็นที่ตรัสรู้พอตรัสรู้เสร็จพระองค์ก็เปล่งอุทานานะ แปลงอุทานว่าอเนกชาติสังสารังสันถาวิสังอนิภิสังขหการังขเวสันโตทุกขาชาติปุณหปุนังขหการกะทิโถสิปุณะเคหังนกาหเสนสัพพาเตพาสุกาปคาขหกูตังวิสังขตังวิสังขารขตังจิตตังตันหานังขยมัจฉา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 แปลว่าจุติปฏิสนธิตลอดชาติตลอดชาติแปลว่าตลอดการเกิดการเกิดเป็นอันมากเนี่ยนะแล้วก็ทกเอาขันธาตุอายตนะเรียกว่าชาติสงสารเนี่ยนะชาติสงสารคือลำดับแห่งขันธาตุอายตนะที่ไหลสืบเนื่องไปเนี่ยนะก็สรุปได้ว่าจากการเกิดเหล่านั้นเนี่ยนะทุกขาชาติปุนักปุนังการเกิดบ่อยๆมันเป็นทุกข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 พงษ์ก็บอกว่าเนี่ยการเกิดบ่อยๆเนี่ยมันทุกดูก่อนตันหานายช่างผู้สร้างเรือนบัดนี้เราเห็นท่านแล้วเห็นด้วยปหาญาปริญญาหรือว่าเห็นด้วยธรรมจักสุเราเห็นท่านแล้วเพราะฉะนั้นท่านจักสร้างเรือนคืออัตภาพท่านจะสร้างขันทัาน์อริยตนะให้เราไม่ได้อีกต่อไปท่านจะสร้างภพสามกำเนิด4คติ5วิญญาณทิฏิเจ็ดสัตตวาสเกให้ให้อีกไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นโครงเรือนคือกรรมของท่านนะนะ เราหักหมดแล้วโครงเรือนคือเจตนากำทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเราหักหมดแล้วยอดเรือนคืออวิชชาเราก็รื้อแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งอรหัตผลอจิตของเราถึงทําเป็นที่สิ้นตันหานนตันวิสังคารคาตังจิตตังตันห้านังขยมมจขานเนี่ยนะจิตของเรา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 ช่างเหล็กอีกคนหนึ่งก็ใช้ค้อนปอนเนี่ยหัวทิ่มลงไปเนี่ยโป๊กโป๊กโป๊กโ ก, โกถามว่าแสงไฟหรือว่าความเหลืองอารามสีทองเนี่ยนะที่เรียกวันร้อนระอุมันหายไปไหนมันหายไปไหนเรียกว่าคติแห่งไฟเหล่านั้นหายไปไหนไม่มีใครรู้ว่าไฟนั้นมันหายไปไหนอที่ไปของไฟอะนะแต่มันก็แปลสภาพนั่นแหละเสร็จแล้วชั้นใดคติคือที่ไปในบรรดาคติห้านรก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 ที่ตรัสรู้เจ็วันก่อนหลังจากนั้นก็ไปที่ที่ไหนก็ไปที่อนิมิสัเจดีไปประทับยืนดูที่ที่พระองค์ตรัสรู้อีกเจวันเน่นะจดวันแล้วก็เดินจงกรมระว่างอนิมิสัเจดีกับที่ตรัสรู้เนี่ยนะปฐมังโพที่บาลังสัปดาห์แรกอยู่ที่โพที่บาลังทุติยังอนิมิสัเจตีก็คือที่สองก็ไปอยู่ที่สัปดาห์ที่สก็ จังกรรก็คือการเดินจงกรมระหว่างที่ตรัสรู้กับอนิมิตเจดี JD ก็เดินกลับไปกลับมาไขโค ร, ครนอีก7วันเสร็จแล้วก็ไปพิจารณาพิธามรัตนคระเจดีจากนั้นก็ไปประทับตามสมควรว่าณที่ใดที่สมควรแต่สรุปว่าอยู่ใกล้บริเวณ น, นั้น7สัปดาห์สัปดาที่เนี่ยนะคือผ่านไปแล้ว49วันเนี่ยนะวันที่49วันที่50ไปแล้วเนี่ย 50สิวันผ่านไปเนี่ยพระองค์ก็พิจารณาถึงว่าน้อมไปเพื่อไม่แสดงธรรมเห็นความลึกซึ้งของพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เห็นความยากลําบากในการปฏิบัติเพื่อความตรัสรู้ใจก็น้อมไปเพื่อไม่สอนพรหมก็มาอาราธนาพระองค์ก็ใคร่ครวญใคร่ครวญเบ็ดเสร็จว่าใคร่ครวญแบ่งแยกว่าเผ่าพันธุ์ผู้จะได้ตรัสรู้เท่าใดผู้ที่ไม่ได้ตรัสรู้เท่าใดเนี่ยนะก็ใส่ใจเฉพาะผู้ไตรตรัจจ์ตรัสรู้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 กุศลมูลคืออโลภะนั่นแหละคืออธิจิตตสิกขากุศลมูลคืออโมหะนั่นแหละคืออธิปัญญาสิกขามันพวกที่กุสังสมอบรมสิกขาสามมาจากศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆผู้ที่สะสมไว้ยอย่างนี้อย่างเหมือนเราๆ เ, เนี่ยนะมาสะสมอโลภะอโทสะอะโมหะสะสมศีลสมาธิปัญญาในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ก็ เป็นบุญเป็นวาสนาต่อไปพระองค์ก็ไขครัวนะฟังได้บรรลุได้เป็นต้นพระองค์ว่าแสดงให้ฟังนี่ก็รู้ว่าเขาเนี่ยสะสมกุศลมููมาจึงบวชตามเราซึ่งกำลังบวชบำเพ็ญเพียรกับเราบำรุงเราอุปถักเราเอาเทิดเราพึงแสดงธรรมแสดงธรรมคือแสดงอรรยสัจธรรมแก่กุลบดเราพวกนี้ก่อนใครทั้งหมดนะ เหมือนกับหยิบยื่นนะนะหยิบถ้าบอกว่าถ้าทางโลกเนี่ยโอยิ่งใหญ่ที่สุดคือราชสมบัติใช่ไหมแต่ถ้าถ้ายิ่งหยิบยื่นราชสมบัติหยิบยื่นสวรรค์สมบัติ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 ตรงก็ไข้ครวรแต่ว่าบัดนี้ท่านเหล่านั้นอยู่ที่ไหนก็เห็นว่าอยู่ที่ว่าเทววันเรียกว่าป่าเทวดาประั้นป่าที่เทวดาดูแ ล, แลเทวแปลว่าเทวดาวนแะแปลว่าป่าป่าที่เทวดาดูแลณนะกรุงอนุราธะอรุณะวดีเนี่ยนะระยะทางส8บแปโยชนี้สิบแ18โยต์กี่กิโลก็ประมาณพุทธคยาพารณสีนะสบแปดคูณสบสิอ่ะนะพอประมาณนั่นแหละ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 ก็ท่านตระกูลสูงวังงั้นนะนะแล้วก็เรียกอาวุโสไม่สแสดงความเคารพอะไรเลยนล้วตอตรงกันข้ามเลยนะที่สุ1สิบโกนเรานี่ยหายไปตั้งนานหายไปตั้งสองกันนั้นเนจะ็ดสัปดาห์นี่กี่เดือนเดือนกว่าใช่เกือบสองเดือนเลยอ่ะเนี่ยพระองค์หายไป ไปเพื่อตรัสรู้เนี่ยหายไปตั้งสองเดือนพระองค์กลับมาแล้วดีใจมากเลยนะดีใจมากพระองค์กลับมาก็เลยรับบาจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าปูราตพุทธาฏทําความเคารพถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งแวดล้อมณนะที่ควรส่วนหนึ่งณนะที่นั้นพระโกนทัญญาทศพลอันพระมุนีคื อ, อาสาวกเหล่านั้นแวดล้อมแล้วประทับนั่งเหนือพุทธาฏพุทธอาสนาอสนะที่ประดิษฐานของพระพุทธเจ้า อันรุ่งโรดดุดเท้าสหัสนายอันมูเทพชั้นไตรทดแวดล้อมเหมือนอะไรเหมือนพระอินทประทับนั่งในท่ามกลางหมู่เทวดาสวรรค์ชั้นดาวดึงประดุดดวงรัชนีกรในฤดูสาที่โคโจรณพื้นนภ า, ากาศอันไร้มนทินอุปมารัชนีกรก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยนะดวงอาทิตย์ที่สองสว่างในายามกลางวันหรือเหมือนพระจันทร์เพนอันหมู่ดาวเวทล้อมนะ ทั้งนั้นพระาศาสดาก็ตรัสพระธรรมจักรกับประวัตนะสูตรมีปริวัติสมอาการสิบสองอันยอดเยี่ยมนะและก็ปริวัติสามมีอะไรบ้างอาการสิองก็มีอะไรบ้างปริวัติสามก็คือสัจจยานกิจยานและกัตะยานนะนะก็ประกาศอริยสัจสี 4, ่สามรคก็เท่ากับ12บสองนนะสามคูณสก็เท่ากับสิบสองอันยอดเยี่ยมที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่องเสพแล้วแก่ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะ ก็คือใจความโดยสรุปก็คือปฏิเสธอะไรปฏิเสธอัตต์ปฏิเสธการมัศุขคลิกานุโยกปฏิเสธการมัศุขคลิกานุโยกแล้วก็นําเสนอว่าข้อปฏิบัติอันประกอบไปด้วยองค์8ที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทานี่แหละที่ไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดสองอย่างปฏิเสธส่วนสุด2 อ, อย่างข้อปฏิบัติอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี่แหละที่ทําจักสุ ให้เกิดเนนะจกักขุกรณียานการณีอุปสมายะสัมโพธายนิพา ย, ายะเนี่ยนะทำ เ, เป็นไปเพื่อทําจักสูให้เกิดทำยานให้เกิดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่อปรินิพานเนี่ยนะนั้นก็คือมรรคแปดเสร็จแล้วก็บอกว่ามรรคแปดมีอะไรบ้างสมาธิฏิจนถึงสัมมาสมาธิแล้วก็บอกว่าถามว่าถ้าสัมาธิฏฐิถ้าจะรู้ ร, รู้อะไรก็รู้อริยาสาัจสีก็ประกาศนี้ ทุกขาริยสัตวทุกขสมมุทัยอริยสัตวทุกขานิโรธอริยสัตว์ทุกขานิโรธค า, า, ามินีปฏิปทาอริยสัตว์พระองค์ก็ตรัสถึงว่าจากสุปัญญ า, าจากสุปัญญายามวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์วันนี้ทุก ทุกควรกำหนดรู้ทุกพระองค์ก็กำหนดรอบรู้เสร็จแล้วจากสุปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่พระองค์วันนี้ทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยควรละทุกขสมุทัยพระองค์ก็ละเสร็จแล้วนะจากสุปัญญาวิชาแสงสว่างก็เกิดขึ้นแก่พระองค์วันนี้ทุกขานิโรธทุกขานิโรธควรทําให้แจ้งทุกขานิโรธพระองค์ก็ทําให้แจ้งเสร็จแล้ว นะจากสุปัญญาวิชาแสงสว่างก็เกิดขึ้นแก่พระองค์วันนี้ทุกขนีโรทัคามินีปฏิปทาทุกขนิโรทัคามินีปฏิปทาควรเจริญพระองค์ก็เจริญเสร็จสิ้นครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์หมดแล้วพันถ้าหากว่าพระองค์ไม่รู้สัจจะสี่มีปริวัตรสารอาการสิองอย่างนี้พระองค์ก็ปฏิญาณไม่ได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้แต่เนื่องจากว่าตรัสรู้สัจจะสีนมีปริวัตสรสมอาการสิองอย่างนี้จึงปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้า นะพอหลังจากที่พระองค์แสดงจบพ ร, อ ะ, พระองค์ก็ยังเทวดาและมนุษย์ประมาณแสนโกดนะมีภิกษุ10บโกดเป็นประธานให้ดื่มน้ํอ า, าอมาตะธรรมอมตะในที่นี้ก็คือดื่มอะไรโซดาปฏิมกักโซดาปฏิผลที่มีนิพพานเป็นอารมณ์สกทาคามีมกักสกทาคามิผลที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อรหัตต์านาคามีมกักนาคามีผลอรหัตตมัตอรหัตตผลที่มีนิพพานเป็นอารมณ์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 เข้าใกล้เนี่ยนะมีพระขันติอุปมาเหมือนแผ่นดินธรณีมีพระศีลคุณอุปมาดังสาขรนศีลนี่กว้างใหญ่เหมือนทะเลมีสมาธิดังคุณเขาสุเมรุเหมนนะเขาสุเมรุมากเหมือนกันมียานที่อุปมาดังท้องนาผากากศท้องนาผากากศเหมือนอากาศกว้างขวางฉะนั้น พระพุทธเจ้าทรงประกาศอินทรีย์พละพูดชงองค์มักองค์มักเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทุกเมื่อก็พระองค์ก็แสดงนิยานิกธรร ม, มเทศนาเนี่ยนะแสดงนิยานิธรรมนิยานิกทธรร ม, มเทศนาธรรมที่นำออกจากทุกคืออันนี้ยกตัวอย่างว่าอินทรีย์พละพูดชงองค์มักแต่ก็เท่ากับกล่าวว่าถ้ากล่าวอินทรีย์เช่นสติินทรีย์ก็เท่ากับกล่าวอะไร กล่าวสตินสีสติพระสติสัมโพชฌงสัมมาสติก็เท่ากับกล่าวสติประธานสี่เสร็จแล้วถ้ากล่าววิริยินรียวิริยะพระวิริยะสัมโพชฌงสัมมาวายามะก็เท่ากับแสดงสัมมาประธานสี่แล้วนะมันถ้าผู้ใดที่เจริญคุณธรรมเหล่านี้ด้วยศรัทธาผู้นั้นชื่อว่ามีฉันทะนะผู้ใดเจริญสิ่งเหล่านี้ด้วยวิริยะก็นั้นก็เป็นวิริยะนะวิริยะ สมาธิประทานสังขารถ้าทําด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นดํารงมั่นมุ่งมั่นก็เป็นจิตตสมาธิถ้าทําด้วยปัญญาก็เป็นวิมังสาสมาธิเพราะถ้าเท่ากับกล่าวสติประธานสัมมาประธานอิทธิบาทแล้วเนี่ยนะโดยการกล่าวอินสีพร ะ, ะโพชฌงและองค์มรตการแสดงนิยานิกรรมคือโพธิปัจจะธรรมธรรมที่นําไปเพื่อการตรัสรู้เพื่อประโยชน์คือพระนิพพานเพื่อเกื้อกูลแก่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 นะครว่าพระโกนธัญญาบรรลุพระองค์ก็บอกว่าอัญญาสิวัต โ, โพโกนธัญโยโกนธัญญารู้แล้วหนอนะปีติมากนะดีใจพระพุทธเจ้าก็ปีติเหมือนการเปล่งอุทานว่าอัญญาสิวัตโพโกนธัญโยพระพุทธเจ้ามีอยู่สองอย่างปีติเพราริ่มคล้ายคล้ายปีติด้วยอนุโมทนากับปีติด้วยความสังเวชเนี่ยนะมีปีติอยู่สองประเภทด้วยกันนะปีติด้วยความสังเวชก็คือสังเวชเสร็จแล้วก็ปีติบอกโอไม่น่าเป็นไปได้นะน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมาว่าโมฆะบุรุษคนนี้อย่างงี้นะอะไรก็ปีติด้วยอาแค่เรียกว่าอะไรนะสังเวสเลยแล้วก็อุทานออกมาแต่ก็อุทานด้วยปีตินะก็ไม่ได้เครียดอะไรหรอกพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญญาเนี่ยนะเป็นนามาพิทยายะที่ทรงได้รับโดยพระโคดของพระองค์พระองค์เกิดในตระกูลโกนทัญญะโคตเนี่ยนะอย่างเช่นพระัญญากนทัญญาที่ชื่อว่าโกนทัญญาก็เพราะเกิดในตระกูลพราหมณ์โกนทัญญาโคต อ, น, น, อ, อนันตะเตโชเรียว่ามีเดชไม่มีที่สุดนะเนี่ยนะเดชเตชะก็คือที่จริงอ่ะหมายถึงไฟนะแต่ที่นี้หมายถึงเดชเดชเดชคืออะไรพระองค์เนี่ยมีเดช ท, ที่จริงเดชแปลว่าไฟก็ได้พระองค์มีไฟคือศีล น, นะเดชคือศีลเพราะมันเผาอะไรเผาความเศร้าหมองออกไปเผาบาปอากุศลออกไปพระองค์เนี่ยพระองค์มีเดชคือศีละคุณเพราะพระองค์มียานและมีบุญ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 พันด้วยเดชแห่งคุณธรรมเช่นยกตัวอย่างย่อๆเดชแห่งศีลเดชแห่งปัญญาและเดชแห่งบุญเนี่ยนะในระหว่างนี้เนี่ยในตั้งแตบบ่ระดับล่างสุดคือเวจี v G, ระดับบนคือปวักพรมโดยขวางในโลกธาตุไม่มีที่สุดเนี่ยไม่มีบุคคลหนึ่งเชื่อว่าสามารถที่จะยืนมองพระพักของพระองค์ไม่มีเลยเรียกว่า An อนันตเจโตเรียกว่ายืนจ้องหน้าตรงๆเลยนะแบบแบบอะไรนะแบบสองฝ่ายใช่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 เคือเป็นพระพุทธเจ้าอยู่เจ็ด0มื่นปีเนี่ยตั้งแต่บวชตั้งแต่ตรัสรู้จนปรินิพพานเนี่ยถามว่าพระภิกษุที่บวชติดตามบวชทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะบวชบางทีบวชวันละหลายหมื่นหลายแสนบางทีเนี่ยนะภ<ม>ิกษุควรจะเท่าไหร่<ม>เพราะฉะนั้นอา ม, มิตายโสแปลว่าจํานวนภิกษุบริษัทกําหนดนับไม่ได้เลยนะอย่างพระพุทธเจ้าบางองค์เนี่ยไม่มีลทัทธินอกาศาสนามีแต่พุทธศาสนาอย่างเดียวร้อยเปอร์เนมือนก เพราะฉะนั้นบางยุคเนี่ยเป็นลักษณะนั้นอ้าวแล้วพวกสัตว์อื่นๆนะก็พวกมิจฉาทิฏฐิอ้าวก็โมวแต่ไปเกิดในเดรฉานอยู่ไงก็เลยไม่มีโอกาสมาเป็นปฏิบัติอย่างมากก็เป็นยุงมาบินกวนอยู่บ้างนิดหน่อยนช่มันก็พอโม่แต่ไปเป็นเดรฉานงเป็นยุงเป็นแมลงเป็นแมลงหีแมล ง, งวันอะไรบ้างนิดหน่อยนะอย่างมากก็กวนได้แค่นั้นนะมิจฉาทิฏฐิมันกลุ่มก่อกวนก็งั้นก่อกวนทพุทธก่อกวนศีลสมาธิแล้ว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 นั่นนนั่งนับเธอะไม่หมดหรอกก็เลยเรียกว่าอัปปมยโยหรือถ้าเราเรียกว่าอัปปมาโนพุทธโธเนี่ยนะถ้าคุณของพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้แม้กระทั่งอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าพุทธโธปิพุทธสสะพเนยะวั น, นังกับปัมปิเจัญญะอัญญมภาสมาโนขีเยทะกับโปจิระทีฆะทีฆมันตเตวันโนนขีเยะะท ะ, ะตถาคตัสัม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 ความเป็นผู้อันใครๆไม่อาจเบียดเสียดเข้าไปเฝ้าชื่อว่าทุราทศคือผู้อันใครๆไม่มีอำนาจเทียบเคียงได้อีกชื่อหนึ่งอะ น, นะหมายความว่าเข้าเฝ้าก็ยากหรือจะเอาไปเปรียบแบบหมายความว่าบอกสั่งให้พระองค์มาเฝ้าเราหน่อยสิคือเรียกว่าเหมือนกับว่าเออเดี๋ยวจะไปพบพระพุทธเจ้าหน่อยพระองค์นั่งรอหน่อยและกันอย่างเงี้ยนะไม่มีหรือว่าเออเนี่ยหรือสั่งให้พระองค์มาหาอย่างเงี้ย น, น, นี้ก็ไม่มีคือคือเข้าเฝ้าได้ยากไม่ใช่ว่าทุกอย่าง ทุกอย่างต้องแล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่แล้วแต่คนอื่นคือพระพุทธเจ้าเป็นเช่นนั้นบทว่าธรนูปโมพระองค์พูดเสมอด้วยแผ่นดินนะธารนูปโมเนี่ยเสมอด้วยแผ่นดินถามว่าอะไรอะไรที่เสมอด้วยแผ่นดินคมเเนนะได้แก่พระขันติเนี่ยนะคือพระองค์เนี่ยมีความอดทนมีขันติเนี่ยเสมอด้วยแผ่นดินเขาบอกว่าเมือนอย่างว่าแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยนะแผ่นดินเนี่ย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 พระองค์ไม่หวั่นไหวว่าได้ไม่มีความรู้สึกว่าได้หรือไม่มีความรู้สึกว่าสูญเสียไม่รู้สึกว่าสิ่งนี้น่าปรารถนาหรือไม่รู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่น่าปรารถนาเพราะพระองค์เข้าใจทุกอย่างอย่างท่องแท้จิตใจของพระองค์จึงไม่หวั่นไหววันจิตใจของพระองค์จึงเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยนะแต่ว่าอย่าว่าอย่างนั้นเลยแผ่นดินไม่มีเจตนา แผ่นดินไม่ได้มีคุณแท้พระสาริบุตรบอกว่าแผ่นดินเนี่ยมันไม่มีเจตนาจึงไม่ได้มีคุณค่าเทียบเคียงกับพระพุทธเจ้าได้หรอกเทียงแต่ยกมาเปรียบฉะนั้นแต่ว่าพราะองค์เนี่ยมีเจตนามีจิตมีใจแล้วก็มีปัญญามีคุณธรรมอย่างอื่นอีกมากมายเหมือนอย่างว่ามหาปฏาีอันหนาถึง 2,400 0นมนยไม่หวั่นไหวด้วยลมปกติฉะนั้นเนี่ยนะเหตุการณ์ธรรมดาลมพายุธรรมดาพัดเนี่ย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 พฤติกรรมของพระองค์มีมากแต่ไม่ล่วงศีลทางกายพระองค์พูดมากถ้าพูดแบบพุทธพจน์นะตรัสมากแต่ไม่ล่วงละเมิดด้วยศีลพระองค์เป็นผู้ที่ใช้ความคิดมากแต่ว่าไม่เคยฟุ้งซ่านนะไม่มีความฟุ้งซ่านเพราะทุกอย่างพระองค์ไม่ล่วงละเมิดนะไม่ละเมิดคุณธรรมเหล่าใด้เพราะดํารงอยู่ในคุณธรรมแต่ก็กว้างขวางไม่ใช่คับแคบเนี่ยนะไม่ใช่หลับตลอดเลยนะไม่ใช่ลักษณะนั้นบทว่าสมาธินามเมรุประโม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 มันความมั่นคงของพระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งใดทําให้จิตใจของพระองค์วันไหวได้นะไม่วันไหวเหมือนอะไรมันเหมือนคลื่นในน้ําทะเลไม่ใช่วันไหวแบบโอไม่นิ่งเลยนะแต่พระองค์ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นไอ้ไม่ใช่นิ่งก็นิ่ ง, งโง่เขลาอีกก็ไม่ใช่เนี่ยนะไม่นิ่งแต่ฉลาดเนี่ยเออได้ยังไงนี่เป็นลักษณะของพระพุทธเจ้าบทว่าญาเนนะคัคโนประโมท่านทําอุปมาอากาศว่าอากาศเป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด ทำไมปัญญาจึงเปรียบด้วยอากาศก็เพราะว่าพระยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีที่สุดพระองค์เลยตรัสถึงอนันตะอนันตะไว้สีอย่างด้วยกันตรัสไว้ที่ไหนอนันตะไว้สีอย่างในในจริยาปิฎกเนี่ยนะในจริยาปิฎกว่าสัตตกาโยจะอากาโสจักวาลาจนันตกาพุทธายังอปมัยยังนะสักกาเอเตวิชานิตรง โมูสัตว์หนึ่งเนี่ยนะสัตตกายเนี่ยนะมูสัตตกายโยเนี่ยกายะตัวนั้นแปลว่าหมูหมูสัตว์นี่หนึ่งอากาศโซอากาศหนึ่งจักรวาลาอักอ่ะเรียกว่าจักรวาลนี่หนึ่งส้แล้วก็หนึ่งหมูสัตว์สองอากาศสามจักระวาลสี่พุทธยานหาประมาณไม่ได้อภิเษย์อย่างเรียกว่าไม่รู้จะเอาอะไรไปวัดว่ามีเท่าไหร่นะ แล้วก็สี่อย่างนี้ก็ไม่มีใครไปนับหรอนับดูซิว่าเออเนี่ยทั้งโลกเนี่ยมียุงกี่ตัวมีผึ่งกี่ตัวมีปลากี่ตัวมีไล่เทั้งหมดนะสัตว์นรกทั้งหมดมีเท่าไหร่ก็บอกว่าอไล่พวกเปรตพวกเดรชานพวกอะไรเดรชานบอกว่าพื้นที่บางแห่งนะที่โยมเขามาเล่าให้ฟังว่าตัวอะไรนะตัวที่เข้ามาทํากะปิพวกเคยพวกอะไรพวกเนี้ยนะ แล้วก็มีไอสัตว์บางกลุ่มเนี่ยพื้นที่มันมีเป็นไม่รู้กี่ตารางกิโลใช่ไหมก็ถามว่าในนั้นมันมีนมกี่ตัวแต่จริงๆแล้วถ้าตักน้ำมาหนึ่งขันและคำนวณบนล่างแต่งเป็นเรียกว่าเป็นลูกบาศกเม็ดปับ๊บและคํานวณปั๊บอาจจะคํานวณได้แต่ว่านรกเนี่ยนะอย่างเช่นอเวจีเนี่ยมีหมื่นโยดและหมื่นโยดเนี่ยมันอยู่เหมือนอะไรเหมือนเรียกว่าเหมือนผงทนานดีบุกคือมันยัดเยียดเหมือนคาว่ามัน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 แล้วเปดดรตอะเดรชาณอะมนุษย์อะเทวดาเันอยู่ในวัดต่างไม่เหงาแน่พวกเยอะแต่ว่าเชื่อไหมพระอั์แสดงธรรมเพื่อการออกไม่ใช่เพื่อหาหมู่แบบนั้นนะสรุปว่สัตว์เนี่ยไม่มีจบมีสิ้นแล้วอากาศล่ะอากาศเนี่ยแม้กระทั่งว่าอย่างสมัยสมัยใหม่เนี่ยเขาคุยกันแสงหนึ่งแสงหงวินาทีเนี่ยเดินทางเป็นแสนกิโลเมตรเนี่ยนะเป็นแสนกิโลเมตรหนึ่งวินาทีนะเป็นแสนกิโลเมตร น, นะห น, นึ 1, วินาทีเป็นหนึ่งนาที หกนาทีเป็น1ชั่วโมง60สบยี่สิบชั่วโมงเป็น1วันแล้วก็30วันเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปีนะถ้าเลขศูนย์หตัวเรียกว่า10ปีเลขศูนย์สองตัวเรียกว่าร100อยปูร้อปีเลข0ูนย์สามตัวเรียกว่า พันปีแลว้วไล่ไปอย่างนี้เขาบอกว่าแสงเดินทาง 5,000 ปีแสงจากดาวดวงหนึ่งไปสู่ดาวเดวงหนึ่งเขาพูดกันห้า0ันปีแสงนะัทม er ีเท่านี้แต่ถามว่ามันจบหรือยังบอกมันไม่มีจบมีสิ้นนะถ้าใครศึกษาไอ้พวกดาราศาสตร์เนี่ยจะรู้ว่ามันไม่มีจบมีสิ้นคิดตามมากปวดหัวนะเพราะว่ามันไม่มีจบมีสิ้นก็มันไม่จบอ่ะก็มันไม่หมดอ่ะอันนี้อากาศจึงไม่มีที่สุดและจักรวาลอ่ะ นะระบบสุริยะจักรวาลจักรวาลในแกล็กซีต่างๆเนะี่ยมันไม่มีจบมีสิ้นเลยกลุ่มจักรวาลแล้วสิ่งที่อันหนึ่งก็คือพุทธยานก็เหมือนกันันะใครจะไปนับได้นะนะมันแมลงวีเนี่ยไปนับว่แผ่นดินเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนนาะจะบินชมแผ่นดินทั่วทั้งแผ่นดินเนี่ยนะแมลงหวียังไงก็บินไม่ถึงน่ยบินได้สักกี่วันก็ตายแล้วฉันได้ปัญญาของเราทั้งหลายก็เช่นกับกลุ่มแมลงหวีเท่านั้นและยังไงก็ไม่ทั่วไม่ทั่วแผ่นดินพระพุทธเจ้าปัญญากว้างขวางเสมอกับ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 ส่วนว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแสดงธรรมอย่างไรอะไรบ้างก็เป็นตอนบ่ายแล้วกันเนาะ